ชีวิตของเรา <c oughs> ต้องคงเส้นคงวารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในกายในใจมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็สร้างสติสร้างสัมปชัญญะ เมื่อมันไม่มีก็ต้องสร้างให้มีสร้างให้มากมีในกายมีในใจิตใจสติทอ่ <c oughs> ำให้กายให้ใจเกิดความเป็นธรรมกายไม่เบียดเปลียนใจใจไม่เบียดเบียนกายพอยเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเห็นกายเป็นรูป เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นนามมันรูปเห็นเป็นรูปเป็นนาม <c oughs> หัวเราะร้องให้อะไรมันสั่งกายความโกรธความโลภความหลงอะไรมันสั่งกายอะไรที่ทําให้ใจเป็นทุกข์อะไรที่ทําให้กายเป็นทุกข์สองโูยแจงได้หลักไดฐาน เพราะว่ามีสติเข้าไปดูกายไปดูจิตไปดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับกายมันแสดงให้สติเห็นบางทีสติมันเผลอไปไม่มีสติไม่มีความหลงกลุมเข้ามามาคลองกายมาคลองจิตพอมีสติความหลงก็ หมดไปหรือสั่งซาลงก็ทำให้เกิดอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลายกับจิตหลงแล้วหลงอีกรู้แล้วรู้อีกระหว่างความรู้กับความหลงผู้ที่เจริญสติก็ยยอมประสบการณ์ได้บทเรียนจากการกระทำ <c oughs> ของตนเองนะความหลง ทำให้เกิดสติปัญญาแต่ความหลงทำให้เกิดความหลงก็มีแต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติอะไรก็ตามทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นความหลงก็เป็นปัญญาเห็นความโกรธก็เป็นปัญญาเห็นความทุกข์ก็เป็นปัญญาปัญญาได้จากความไม่รู้เปลี่ยนความไม่รู้มาเป็นความรู้ ถ้ามีความไม่รู้มันก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีความไม่รู้มันก็ไม่มีปัญญาเ <c oughs> จงเราสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการปฏิบัติรอมรู้สึกตัวปฏิบัติลงไปสร้างลงไปที่กายที่จิตใจเมื่อเวลาใดที่มันเกิดความไม่รู้ขึ้นมานั่นแหละเป็นการเป็นงานของเรา จะต้องสร้างให้เกิดความรู้สึกตัว ม, มีสติสมัชัญญะมีปัญญาบางครัง้งบางคราวก็มีหลายๆอย่างมีความอดทนมีความเตียนมีสติมีเมตตากรุณาเข้าไปช่วย สงสารตัวเองสองสารคนอื่นช่วยตัวเองช่วยคนอื่นช่วยสิ่งอื่นวัตถุอื่นลำดับลำนำ <c oughs> การงานที่ใช่ตามชีวิตประจำวันลำดับลำนำการใช่กายใช่ใจิตใจให้เหมาะตามการและสมัยตามการเวลาให้เป็นเื้องต้นท่ามกลางและที่สุด เริองต้นท่ามกลางในที่สุดไพลเลาะในเื้องต้นไพลเลาะในท่ามกลางไพลเลาะในที่สุดเกิดขึ้นจากกายจากกิจใจของเรานี่แหละคือคนยังไม่ตายเนี่มีความหลงมีความรู้มีความสุขมีความทุกข์ม <c oughs> ันแสดงให้เราอยู่จะไปมองข้ามจะไปมองข้าม ระหว่างกายระหว่างจิตระหว่างรูประหว่างนามให้ได้หลักได้ฐานตรงนี้แล้วเรามามาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงงานที่เป็นเรื่องของรูปมันก็มีโอกาสจบได้งานที่เป็นเรื่องของนามมันก็มีโอกาสจบได้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวเรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของกายเรื่องของจิตมันมีแต่อันเดียว แสดงกี่ครั้งกี่หงร้อยครั้งฟันหงสแล้วก็เป็นอันเดียวไม่มีหลายเรื่องความหลงกันเดียวนั่นแหละความว่าเราลองให้ก่อนเดียวความสุขความทุกข์กันเดียวผมไม่หลงก่อนเดียวควมไม่สุขความไม่ทุกข์กันเดียวตลอดทั้งความ ที่เป็นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคนเดียวความโกรธความโลภความหลงคนเดยีวดยวมันไม่มีอันเกิดขึ้นใหม่ๆมันกับเชื่อโลกม <c oughs> ันกับทางเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเป็นแต่เรื่องเดียวมันจึงไม่ต้องยุ่งยากอะไร สำหรับการปฏิบัตินันเป็นเรื่องที่กระตือรือร้ น, นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากอย่าไปคิดว่าทำไม่ได้อย่าไปคิดว่าทำได้แ ต, แต่เราเห็นอย่าให้มันได้ก่อนได้อย่าให้มันยากก่อนยากมันไปพร้อมๆกัน เออมันหลงก็ไม่ใช่เรื่องยากมันรูก้ก็ไม่ใช่เรื่องยากมันโกรธ ก, ก็ไม่ใช่เรื่องยากมันไม่โกรธ ก, ก็ไม่ใช่เรื่องยากจะไปเอายากกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมีแต่ภาวะที่เห็นมีแต่ภาวะที่รู้แจ้งมีแต่ภาวะที่พ้นข้ามพ้นข้ามร่วง หลุดไปจากสิ่งต่างๆมันทุกข์ก็หลุดไปจากความทุกข์มันสุขสุ ข, ขก็หลุดไปจากความสุขพ้นไปทุกอย่างที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะตรงนี้มันง่ายแต่มันสุขกวามันระมัดมันยากแล้วถ้าจะถ้าจะมองตามความเป็นจริงเราก็เลยไปง่ายแบบนั้นใช มันสุขก็ง่ายไปกับความสุขมันทุกข์ก็ง่ายไปความทุกข์มันโกรธก็ง่ายไปความโกรธมันหลงก็ง่ายไปความหลงตัวสติจริงๆมันไม่ได้ได้ยากมันไม่ได้ง่ายมันเป็นมันเป็นภาวะที่รู้ความภาวะที่รู้เนี่ยมันสะดวกชีวิตที่สะดวกเพราะมันผ่านไปเหมือนการเดินทาง ถ้ามันผ่านไปเรื่อยๆก็เรียกว่าสะดวก <c oughs> ถ้ามันติดก็เรียกว่าไม่สะดวกปฏิบัติทำตามตามหลักเียมฑ์คือมันผ่านเป็นทางพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทางที่เกิดขึ้นกับกายกับกจิตต่อความโกรธต่อความหลงความทุกข์ดูว่ามันไม่มีทางแล้วตันไปแล้ว ตัวรูปสึกตัวนี่มันผ่านไปแล้วเป็นทางไปแล้วจึงมาสร้างอริยมรรคให้เกิดขึ้นบนพื้นที่กายใจเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเหมือนกับสถาปัตเหมือนกับผู้มีการศึกษาเรื่อง การก่อสร้างสิ่งต่างๆแล้วเขาก็ทำได้อย่างถูกต้องมั่นคงความรู้สึกตัวที่ไปลงพื้นที่กับกายกับกจิตเนี่ยมันเป็นความมั่นคงอยู่ตรงนี้มั่นคงอยู่ในรูปมั่นคงอยู่ในนามความมั่นคงไม่ใช่ว่า เหมือนกับสร้างบ้านสร้างเรือนความมั่นคงมันไม่มีอะไรไม่ใช่ว่ามีถ้ามีแล้วมันก็ไม่มีความมั่นคงของสติปัญญาของอริยมรรคคือมันไม่มีอะไรที่วนลูปวนนามนีม่แต่พราะว่าที่เห็นมีเพื่อไม่มีก็เ ร, เรียกว่าถูกต้องแล้วมั่นคงถ้ามีเพื่อมีมันก็ไม่ถูกต้องไม่มั่นคง นี่แต่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปที่เกิดขึ้นกับนามไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดการข้องแว ะ, ะปฏิบัติทำมันไปแบบนี้นะสะภาพรูปสภาพนามมันบอกเราความหลงวความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูป ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามแต่ตอนเราไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่านี้พอมาเห็นแล้วมันก็หลุดพ้นจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามผูมีสติยกมือเคลื่อนไหวไปมาเห็นเห็นอาการเห็นกายเห็นรูปมันก็มีอยู่จริงๆมันรู้จักเคลื่อนจักไหวมันก็มีอยู่จริงๆ สร้างจังหวะสิีจังหวะมันก็สร้างไปตาม14สีจังหวะแต่และจังหวะมันก็ต่างกันจริงๆมันก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่ได้เกิดดุนเราหรือมโนภาพคิดขึ้นเหมือนกับไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นนิมิตมาเป็นที่อาศัยมันเป็นการฝึกเห็นฝึกไปกับลมหายใจมันก็สงบอยู่มันก็รู้อยู่ แต่รูปรูปแบบแบบไม่เห็นของจริงจสงบแบบไม่เห็นของจริงบางทีเราสร้างสติแบบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็รูปรูปไปแต่รูปไม่มีหลักฐานรูปเลื่อนเลื่อนลอยลอยไม่ได้หลักได้ฐานอะไรเหมือนคนเรียนรู้กับอาชีพ ต่างๆเช่นเกษตรตะกรนเกษตรกรรมเราก็เพียงแต่บอกว่าพวนดินปลูกพืชใส่ปุ๋ยให้น it. ้ำร้ายหญ้าให้มันง่ายแต่ว่าภาคปฏิบัติพวนดินมันทำยังไงมีอะไรที่จะไปพรวนดินต้องจับคันไถ ระหว่างจับคันไถมันมีส่วนประกอบต้องเดินตามไถไปเดินตามไถไปมันไม่ใช่คำพูดมันต้องมีจิตยาสัมผัสเวลไถมันถูกตอ่อเวลาไถมันไถไม่เข้าเวลาใดไถมันลึกเกินไปบางทีเหลือบโยงลิ่นไลกัดแสงแดดและอองฝนสิ่งที่ทำให้เกิดการไถมันมีอะไรไม่ใช่รูนะมัน เห็นแล้วมันมีความยากความง่ายยังไงมันอดทนตอนไหนมันสะดวกตอนไหนตอนไหนที่มันเกิดความไม่สะดวกทาให้เกิดความสะดวกในการไถในการพวนดินความอดทนก็ได้อยู่ตรงนั้นความเพียรก็ได้อยู่ตรงนั้นความประสบบทเรียนก็อยู่ตรงนั้นการพวนดินการปลูก ก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วกิริยาที่ปลูกว่องทีมันไม่ใช่คําพูดกิริยาที่ปลู ก, กปลูกลงไปจริงๆเห็นไปสอนเขาปลูกต้นไม้เขาบอกว่าเวลาใดาการปลูกต้นไม้นะก็ให้น้ำเสียก่อนลดน้ำเสียก่อนเอาต้นไม้ที่เห็นถุงรวมกันไว้ลดน้ำเสียก่อน มันไม่ใช่ไปปลูกคำว่าปลูกนี่มันคำเดียวยาที่จะทำานลดเอาน้มไปลดต้นไม้ให้มันชุ่มแล้วก็จับต้นไม้เบาๆแตวตะคอกตะแรกแล้วก็บีบต้นถุงมันบีบผุงมันให้มันแน่นๆเข้าไปสักหน่อยให้มันเกาะกันให้ติดแล้วก็ถอดถุงออกง่ายกว่าที่จะไม่บีบที่ต้นไม้ที่มันแห้ง เราก็บีบเวลาเราลดน้ำก็ชุม่มเราปั่นชุ่มเราก็บีบบีบโนอกถุงมันแล้วก็ถอดถุงออกพอถอดถุงออกก็เหลือแต่เบา้าไม่ให้เบ้ามันแตกพราะเราบีบมันเป็นก้อนดีแล้วเบ้ามันไม่แตกเราก็เขีย่ยก้นหลุมให้ดีๆอย่าให้ดิดขู่คะเกินไปแล้วก็ย่อนต้นม้อยที่ต้นกล้าลงไปเหมือนเอาลูกก้อน ยอนลงไปในเปลในอู่ในเปลในที่นั่งของเขาในที่นอนของเขาเราก็เอาดินที่เป็นปุ๋ยปุ๋ยดีๆล้วนซุยอย่าให้เป็นก้อนหยาบหยาบเอาดินที่มันละเอียดหากวดเอาดินที่มันละเอียดถ้าได้ดินหน้าหลุมจะดีมากกบลงไปให้แน่นการกบให้แน่นก็มีจังหวะมือสอดลงไป รอบข้างเบ้าของต้นกล้าแล้วก็กบให้แน่นนี่การปลูกคำว่าปลูกเนี่ยที่ปลูกจริงๆรอที่เราก็รู้จักมันก็ขึ้นง่ายทต้องมีการกระทํามันจึงจะงามมันจึงจะไม่ตายอย่างแต่ว่าไถาดินปลูกวนดินปลูกใส่ปุ๋ยไ ด, ด้ย้าลดน้ำ การลดน้ำมันใส่ใจใส่ใจมีความเพียรมีความลักลงไปในการลดต้นไม้มีสียาที่งามตรงนั้นตรนไหนเรียกกับผิวๆ อ, อดีวมือขวามือถ้าเป็นกระป๋องกระแป้งก็งกข่ามือลองรับไปน้ํามันขยายกระจายไปเ่อมันจะได้ไม่ไหลหนีไปทั้งหนหมดถ้าเทลงไปเลย น, ลน้ําันไหลหนี จากเงาไม้ต้นไม้ต้นกล้าเนี่ปลูกลดน้ำดอยหญ้ามันมีอะไร <c oughs> ตัวเยอะเรืองกับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางอย่างมันง่ายๆเป็นกันจิริยาแต่วันไม่พบความจริงเช่นดูลมหายใจเข้าออกก็ตามลมไปวันทีก็สบายไปเลยสงบไปเลยปฏิบัติที่รดสงบสบายไปเลยนั่งอยู่ ในห้องแอร์นั่งอยู่ในห้องมุงลวดไม่มีใครมาเจี่ยวข้องไม่มีใครมาเรียกไม่มีแสงแดดไม่มีโยงเลือบโยงไตไม่มีอะไรมาสะดวกสงบไปเลยชั่วโมงสองชั่วโมง น, นั่งก็ดี <c oughs> แต่ว่าดีแบบไม่มีประสบการณ์้าไม่สงบก็ไม่สงบถ้าสงบก็สงบไปเลย ปฏิบัติแบบเอาของเริงๆเนี่ยเคลื่นไหวมือเนี่ยมันยากมันหนักมันปวดมันเมื่อยเมื่อยก็เห็นมันแสดงให้เราเห็นมันเป็นเวทนาก็เห็นมันมันจะยากก็เห็นมันมันก็ง่ายก็เห็นมันมันปิดก็เห็นมันมันถูกก็เห็นมันมันสงบก็เห็นมันมันไม่สงบก็เห็นมันนี่มันประสบการณ์เยอะๆจากการ จรียสติแบบกายานุปัสสนามันก็มีเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายมีเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตเราก็เห็นได้ผลเรียนหลายๆอย่างความหลองก็ได้ผลเรียนกันยกมือเคลื่อนไว้ก็ลูบสิยาที่ยกก็ไม่จริงวัตถุที่ยกไปยกมาก็ไม่จริงมันเป็นรูปเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปอะไรที่มันเคลื่อนมันไว้มันสั่งให้เคลื่อนให้ไวมันจะเห็นเป็นนาม มันเป็นสุขกันทุกข์เรจะเห็นกันนามทั้งรูปทั้งนามความสุขของรูปความสุขของนามความทุกข์ของรูปความทุกข์ของของนามนบางอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกัอนอก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเราก็จะเห็นหยาบและเห็นละเอียดเข้าไปที่รูปที่นามอะไรมันสั่งให้หัวเราะอะไรมันสั่งให้ร้องให้อย่างที่ว่าไปแล้ว อะไรมันสั่งให้ยินดีอะไรมันสั่งให้ยินร้ายอะไรมันสั่งให้สุขให้ทุกข์สั่งให้รูปเป็นสุขสั่งให้รูปเป็นทุกข์สุขทุกข์ที่เป็นรูปเป็นนามไม่มีความเป็นกลางเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ดุนดุนก้อนก้อนบางทีมันสุขสุขเพราะปรุงปุงแต่งแต่งสุขเพราะ กี่พวกเผาเห็นจรรโลาเขาว่าสุขสุผลีเขาก็ว่าสุขสุกีสุขเผาผมก็ชอบก็ไม่สุขบางอย่างที่เป็นวนความทุกข์ของลูกสุขบางอย่างที่เป็นความทุกข์ของนามสุขบางอย่างที่เป็นทุกข์ของลูกอย่างเดียวไม่พอเปนทุกข์ของคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นเราไปเอาความสุขแต่วันเบียดเบียนอะไรเยอะๆไปหมดเลย ามาเห็นเนี่ยมาเห็นเฉพาะมันเกิดขึ้นกับรูปที่เราเห็นกับตาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนะี่ยเราช่วยเขาได้ช่วยรูปได้ช่วยนามได้แต่ช่วยรูปได้ช่วยนามได้ที่มันเป็นเรื่องของกายที่แต่และชีวิตที่ได้มาเนี่ยแต่มันรู้จักช่วยรูปช่วยนามเป็นมันก็ช่วยเสียงอื่นว่าตื่นได้ง่ายพึ่งรูปเพึ่ง น, นามได้มันก็คนอื่นก็เพึ่งได้ ในรูปในนามเป็นธรรมในรูปในนามเราเป็นธรรมแต่ก็ ม, ก där, Monet, มันก็เมื่อเมื่อมีความเป็นธรรมรูปนามที่มันเราใช่อยู่เนี่ย ม, ม, ม, มันก็เป็นธรรมเมื่อมันเป็นธรรมตรงนี้ก็เป็นธรรมต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปเนี่ยในรูปในนามที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมจะไปหาความเป็นธ wow <iva> รรมจากสิ่งอื <Lynn went S 1> ่นคนอื่นเป็นไปได้ยากโวยรูปช่วยนามเป็น จะช่วยรูปช่วยนามเป็นมันก็ช่วยรูปช่วยนามคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นมันเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ลมลมแรงแรงเพื่อเพื่ฝันฝัมันได้หลักได้ฐานทุกคนก็มีอยู่แล้วหลักฐานไม่ใช่เอาจากภายนอกหรอกมันเกิดภ า, ายในนี่ที่เป็นรูปเป็นตามเป็นอาการเป็นวัตถุเป็นธรรมชาติเนี่ย ในรูปในนาก็มีอาการมีธรรมชาติที่มันแสดงออกหลายหายอย่างเรามีความรู้สึกตัวก็ไปเห็นมันแสดงก็แสดงเรื่องเดียวนั่นแหละเหมือนหนังเรื่องเดียวตัวละครเรื่องเดียวมันไม่มีอะไรแสดงมากมายหรอกในกองรูปเป็นกองนามเนี่ยเขาแสดงตั้งแต่เกิดชนายเรื่องเดียวไม่ใช่ลอยไม่ใช่เรื่องอื่นที่เขาสร้างขึ้นมาได้ เรื่องเดียวความหลงก็อนเดียวความโกรกก็เดียวความสุกก้อนเดียวความทุกก้อนเดียวความเล่าความชังก้อนเดียวยี่ห้อเดียวสิ่งที่มันแสดงขึ้นกับรูปคำนามเนะนี่ยนันจะยากอะไรมาทีไรก็อู้ไอ้เจ้าเก่ า, าอู้ไอ้เจ้าเก่าเจ้าเก่าวางอย่างไม่เหมือนเขาขายขายาขายของอาหารไม่ไม่เหมือนแบบนั้นนะ่ะ จ clinic, Jan, baskets, ut passes, pause, people, Asia, เจ้าเก่าแบบนั้นนเจ้าเก่าก็ก็มาใช้ได้แต่เจ้าเก่าแบบที่มันเกิดขึ้นกับรูปคำนามความโกรธของเจ้าเก่ามันก็จืดเก็ดนะถ้ามีสติเข้าไปเห็นแล้วมันจืดเป็นเพราะว่าที่สิ่งต่างๆที่มันมีลดในรูปในหนังมันจืดความโกรธมันก็จืดหรือความสุขมันก็จืด ความสุขที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันจืดไม่มีค่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามมันก็จืดมันไม่มีค่าที่ทําให้มีใครเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องรูปเ ร, เรื่องนามมีแต่เป็นปัญญาเนี่ยนะนี่แหละการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่คํานวณคะณีมันไปสบเอามันเห็นเอา มันก็จบเป็นมันก็จบเป็นรูปนามมันจบเป็นรูปนามมันจบเป็นมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำเลยนี่แต่มาบอกมาสอนมีแต่มาชวนกันใครมาลูกแก้งในรูปในนามในตามความเป็นจริงมันมีอะไระไ ร, รูปหมดหรอในรูปในนามรูปหมดมันก็เป็นของประเสริฐชีวิตประเสริฐประเสริฐตรงนี้นะ จึงเป็นเรื่องที่เราข้ามพ้นไม่ได้ถ้าข้ามพ้นตรงนี้จะแสดงว่าปัญหาตลอดภพตลอดชาติเกิดปัญหาอยู่บนรูปบนน้ำไม่พอก็จะต้องเกิดปัญหาต่อไปกระทบเสียงอื่นคนอื่นบุคคลอื่นวัตถุอื่นแล้วก็กระทบประเทือนต่อส่วนรวมเป็นทุกส่วนรวมผู้ที่ มีความรู้แจ้งในรูปในนาเราก็ได้ผลกระทบเหมือนกันลำบากเหมือนกันยางเกิดพร้อมปรมนักปวดปรมเกิดขึ้นพวกเราก็ลำบากก็ถูกเขาไล่ลงลดถูกเขาไม่เาลบถูกวิกฤตเรื่องศรัทธาต่อพระสออง ค, ค์อ่อนแย่อนแคลนไปถึงหลักการของพุทธศาสนาเราจึงมาช่วยกันมาก่อกู้ เราจะลูกคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันหมดมันเป็นปัจเจกับพุท ธ, ธมันหมดไปกับอายุของชีวิต ข, ของคนที่ได้เข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมจริงๆหน้าที่ก็คือมาบอกมาสอนนำมาพากันปฏิบัติ บ, ตบอกกันสอนกันทำให้ดูอยู่ให้เห็นไปนี่ยอะไรนี่ร้องพอก็นไม่ได้อยู่นะ ขอให้ชีวิตเป็นอิสระสักหน่อยอเอาไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ให้มันเสร็จก่อนเข้าพรรษาหรือเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาจะมีบ้างเป็นจิตกรรมบ้างเดี๋ยนนี้ห้าสิบไร่ที่ไถไว้กำลังจะเสร็จแล้ ว, ลวเราเอาแรงงานมาจากผู้หลงไปยืมแรงงานมาแรงงานแถวนี้หาไม่ได้แล้วปีนี้เขาฝนตกเขาปลูกมันกันมากฮะ เราไปเอาแรงงานมาจากโคหลงแต่ขอยืมจานเพชสารมาเห็นเขาเพราะต้นก้าเขาเพาะต้นกล้ า, อ, า, อ, ลาอุ้ยตอนนี้ยังเพิ่งเพาะต้นกล้าไปทํำยังไงอะไรต้องเพาะอา้าผมพ่อจะรับผิดชอบเรื่องต้นกล้าหามาให้เอาจีต้นว่าจะให้สักห้าหมืนต้นเอาโคหลงของเราไว้ในสักสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยพวกเราก็เลี่ยงไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราปลูกเกือบจะเสร็จแล้วไปหาขอมา ของพ่อกับจานวนก็ไปไม่ได้อยู่ทั้งวันเลยไปเอาปางทีก็หมดแรงหมดแรงก็หัวเราะตัวเองอเอาต้นไม้ลงรถมาได้ก็นอนเล ย, ออเลยไปนั่นวันนี้จะไปทางไหนก็ไม่รู้รถรถต้นไม้มาไหมไหนยังไม่มาเนาะแสดงว่าหลงทางแล้วนะ หลงทางแล้วหลงทางแล้วบอกเราว่าถ้าไปถ้าไปเองรับรองว่าหลงทางว่าจะพาเขาไปวันนี้แหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าว่างไม่ได้รถเขาว่างไม่ได้ถ้าว่างวันหนึ่งก็แสดงว่าหาเงินไม่ได้ส่งงวดเ่าเลยอ๋ถ้าจะไปวันนี้ก็ไปแต่ว่าหลวงพ่อพาไปไม่ได้เลยให้โทรเขาบอกไปเขียนแผนที่ให้เล็กน้อยไป เราก็ไม่รู้ว่าบ้านอะไรอ่ะอันนี้นงควรเจ้เวลากับพระอมกัน